ปณิปุสสัมปิสังขภาวันงแสงนังขัตตามมธรรมมันจะทิขุสังคัญจะอุปาสิกังปุทายเป่าปัญสังมังสังโฆ พาเลตตอาชาสักเคปาโนเตตังจัลลันังคาตังพาไปเจ้าขอปจิญญาณตนเป็นอุบาสกภูบาสิกาผู้นักถือ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารนะที่พึงพีระเล็กขอพระคุณเจ้าโปรดโงรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธาระธรรมระสงฆ์ เป็นสานะที่พึงทีลเลสตราเท่าสินาาส้นชีวิตของข้าพเจ้ า, านี่แหละอ้ า, า, าวแล้วต่อไปขอเชิญท่านทั้งหลายนั่งสมาธิ <c oughs> <c oughs> กต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านกำหนดจิตทำสมาธิในท่านั่งในกายของเรานี้มีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตเป็นประธาน โกสิ่งโชคยังสำเร็จแล้วแต่จิตในขณะนี้กายกับจิตของท่านยังมีความสัมพันธ์หรือรับรู้กันอยู่เมื่อท่านกำหนดรู ires, it, ้ที่จิตท่านก็ยังรู้ว่ากายยังมีเมื่อกายยังมีอยู่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 เพราะกายกับจิตของท่านยังอยู่ด้วยกันยังไม่แยกจากกันถ้าหากว่าจิตของท่าน <c oughs> คํานดกร้ความสุขและความทุกข์ <c oughs> หรือความเฉยๆที่เกิดที่กายสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดี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 เมื่อจิตของท่านรู้สึกว่ากายมีอยู่เวทนาสุขภพย่อมเกิดขึ้นที่กายเมื่อท่านมีตสติรู้อยู่ท่านก็รู้ว่าเวทนามีสุขภพเรียกว่าเวทนา ศกเรียกว่าสุขาเวทนาทุกเรียกว่าทุกขาเวทนาเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกเรียกว่าอุเบขาเวทนาเมื่อสติของท่านกําหนดรู้เวทนาสติไปตั้ง อยู่ที่นั่นก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฐานความรู้ความคิดคิดว่านี่กายนี่เวทนานี่สุขเวทนานี่ทุกขเวทนาน ในอุเบกขาเวฒนาความคิดหรือรู้เป็นอาการของจิตเมื่อสติมากำหนดู้พร้อมอยู่กับความคิดเพ่้นนั้นถ้าสติตั้งมัน่นหรือสติตามรูโลโก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 ติดปุงแต่งธรรมชาติของคนเรามีความรู้สึกชอบความสบายถ้าหากติดของท่านใส่หาความสบายโดยไม่อยากทำอะไรไม่ปฏิบัติบางทีอาจจะคิดว่า เลิปฏิบัติจะดีกว่าอยู่เฉยๆสบายดีสแสดงว่าจิตของท่านใคล้ต่อความสบายปิดความสบายเมื่อจิตติดความสุขความสบา ย, าบายจิตก็มีความคล้ในกาม ก็คือความสบายใคล้ในความสุขเพื่อไม่อยากทำอะไรเรียกว่าตามสันทะความใคล้พอใจในความสบายเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตลงแต่งว่าจะปฏิบัติต่อไปดีหรือจะหยุดเพียงแค่นี้ ความคิดเช่นนี้เป็นลักษณะของพยาบาทคือเป็นความคิดที่จะตัดรอนคุณความดี ค, ความคิดกังวลสงสัยว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดี <c oughs> ความงุดงิดงุนงานลำคาญบางเกิดขึ้นเรียกว่าอุทจักกุกกุ เมื่อมีความพุ้งซ่านลำคาบังเกิดขึ้นวิกีคิดหาความง่วงอ่ะความง่วอหวตินามิทาความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นมาแทรกปีตก็ปรงแสงขึ้นมาว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีหรือจะหยุดกันเพียงแค่นี้ เป็นวิกิกิสาความลังเลสงสัยลังเลใจไม่แน่ใจเมื่อตัดสินใจเด็กขาดตรงไปไม่เอาละเลิกดีกว่าพยาปาทะวิ่งเข้ามาจัดจอนเมื่อเจตมากำหนดรู้ยู่ที่นีิริวรถ้าคือการมาฉันะความใกล้ในความสุขสบาย พยาปาทะความพยาปาทะความคิดเล็ดรอนหรือตัดรอนปุถจะจัความพุงสัานลำคาญสินามิธะความว่าเหงาหาวหนอดมิคีขีขาความสงสัยไม่เอาจริง้าจิตมากำหนดตัวอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เป็นธรรมไยอคูชนเป็นนิวารณธรรม เป็นธรรมที่คอยกางดันคุณงามความดีให้บางไม่ให้บางเกิดขึ้นจึงเรียกว่านิวรหรือนิวารณะแปลว่าสิ่งปิดกัน้นกั้นสมาธิไม่ให้เกิดการปัญญาไม่ให้เกิดการกุศลไม่ให้เกิดก็อันนี้เป็นธรรมไปอาคุศต เมื่อจิตมากำหนดรู้ธรรมที่เป็นปุศลอาปุศลเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสติมากำหนดตั้งมัน่นพิจารณาอยู่ที่ธรรมก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมะเป็นฐานที่ตั้งของสติ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 เมื่อสติไปสร้างอยู่ที่ลมหายใจก็ได้คือว่าสติไปสร้างอยู่ที่กายจะเป็นอนาปานุสติด้วยกายานุปัสนาสติปัฏฐานด้วยในมหาสติปัฏฐานบรรพัตบัอบรนะ ท่านจำแนกแก่พิธีการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมไว้อย่างกว้างฟังพิจารแต่อันนั้นเป็นภาคปฏิบัติท่านเริ่มต้นจะให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโดยความเป็นของปฏิโกณได้เปลียดตั้ง โดยความเป็นธาตุสี่เป็นน้ำลมไฟบ้างเพื่อจะให้จิตหรือสติไปตั้งอยู่ที่กายจะได้เกิดความรู้ว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอัานให้เริ่มพิจารณาตั้งแต่กายภายนอกคือกายของคนอื่นหรือทิจารณาทรากอสุต มาถึงทราบอสุภะ <c oughs> แล้วก็น้อมเข้ามาเปรียบเทียบ ก, กับคนเองเพียนอย่างไปเห็นทราบศพี่นอนตายอยู่ท่านห้พิชรณาทราบโซฟาเมื่อ่อ น, นี้ทราบศพก็มีชีวิตขิตใจเดินเหินไปมาได้เหมือนเรา บัดนี้เขาปราศจากวิญญาณแล้วก็มีตแต่เน่าเปื่อยปูพังแล้วก็น้อมก็มาเปรียบเทียบกับตนเองว่าแม่เราก็เช่นกันเวลานี้เรามีกายมีจะมีจิตมีวิญญาณเราก็ยังเดยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ทําอะไรได้สิปาทเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้ว ร่างกายก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังผัดผมแผ่นดินเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเมื่อสลายตัวไปก็จะเป็น้ำธาตุสีติน้ำลมไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีร่างกายภายในกายภายนอกกับกายภายในเป็นเช่นไร กายภายนอกเป็นเช่นไรกายภายในก็ย่อมเป็นเช่นนั้นทีนี้การพิจรารณากายภายนอกสักแตว่ากายแต่ว่ามันเป็นกายของคนอื่นอันนั้นเรียกว่าเห็นกายภายนอกแต่เมื่อมาพิจารณากายของตนเอง ให้เห็นว่ากายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นผมขนเลบปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแม้ปัจจุบันนี้จะยังสดสวยงดงามพอรูกัดได้ <c oughs> แต่เมื่อแต่กายสลายลงไปแล้วก็จะเน่าเปื่อยผุพังเป็นของปฏิกูลยาน่าเกลียดโสโคร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 แต่เมื่อความเป็นจริงแล้วสมมติบันแดดอันนี้เป็นกายก็สแกแต่ว่ากายเท่านั้นในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นกายภายในกายของเราเป็นเช่นนั้นเรียกว่าพิจารณากายในกายถ้าสติไปตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณากาย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 เรียกว่าสติไปตั้งอยู่ที่กายเรียกว่าตายานุปัฏฐานาสติเพียงแค่ว่าควบคุมบังคับให้ะระลึกไปในกายคือะระลึกถึงโมโคนได้ฟันหลังเลื้อเอ็นกระดูกเป็นตน้นอันนี้เรียกว่าเป็นภาตปฏิบัติเป็นสติปัญญาธรรมดา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 ในเมื่อสติมาตั้งมั่นอยู่ที่กายและเล็กลู้อยู่ที่กายตลอดเวลาเรื่องเวทนานุปษษัสนาสติปัฏฐานเราไม่ตั้งไม่ไม่ได้ตั้งใจจะกำหนดรู้ไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาจิตของเราก็รู้เองเพราะจิตมีกายกายเป็นที่เกิดแห่งเวทนา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 แต่ความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดมั่นอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนสติกำนดสร้างมั่นอยู่ที่ความคิดนั้นเรียกว่าปิตานุปัฒนาสติปัฏฐานเที่ยงความคิดที่ปลงแต่งนั้น อาสยเวทนาเป็นสิ่งหมุนสุขเวทนาเป็นเหตุให้จิตมีความเพลิดเพลินยินดีทุกเวทนาเป็นเหตุให้จิตเกิดความไม่พอใจหรือบางทีอาจจะเกิดคลาแคบใจในเมื่อกิเลสที่เป็นตัวการคือความใย ในความสุขความสบายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้พอนั่งๆไปปฏิบัติไ ป, ไปบางทีก็เกิดทุกขเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่ามีอาการง่วงๆแล้วก็เกิดอเกิดปวดต้นคอหรือบางทีหายใจอึดอัด สิ่งล่ปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นจำนวนให้เกิดความโง่เหงิดงุนงานลำคาญในเมจิตมากำหนดรู้อยู่ที่ความโง่เหงิดงุนงานลำคาญจิตก็เริ่มกำหนดรู้เรื่องของธรรมแล้วก็จะมองเห็นทิบอนทั้งห้าได้ชัดจน อมองเห็นความใคร่ในความสุขสบายทําให้เกิดที่เฉียดที่คลานมองเห็นได้ชัดเราก็มองเห็นความหุดหงิดลาคาญอุตจารุกกุจาได้ชัดเจนและยิ่งเกิดความง่วเงาหงาวนอนขึ้นมาแทกตัวเราก็มองเห็นได้ชัดเจน เราเกิดสงสัยว่าจะปฏิบัติต่อไปดีหรือจะหยุดเพียงแค่นี้เราก็มองเห็นได้ชัดเจนให้เมื่อเราเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติต่อไปหรือจะหยุดแค่นี้พยาพาทะคือตัวคอยตัดรอนได้โอกาสพ็วิ่งเข้าไปตัด พอตัดตรงไปแล้วเราก็จะได้บอกเอาแค่นี้พอแล้วเอาไว้วันหลังปฏิบัติต่อใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าปีกของเราเป็นอย่างนี้เรื่อยไปพอเกิดห ง, งุดหงิดขึ้นมาแล้วก็เอาละแค่นี้ฝากไว้วันหลังจึงปฏิบัติต่อใหม่เราก็จะไม่ได้ประสบกับความสําเร็จ เพราะอันนี้มันเป็นนิวรนที่คอยตัดตอนคุณงามความดี้าชตพของเรามาสั้งงสติพิจารณาคุณโทษแห่งนิวรน้าดังที่กล่าวแล้วก็พยายามหาใบโปรดเรื่องผู้ใบโปรดเรื่องนิวรน้าก็คือเอาตัวนิวรน้านั่นแหละเป็นเครื่องแก้คือพิจารณาหาพ่อของให้เห็นพทษของนิวรน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 ปฏิบัติไปสักพักหนึ่งไน่บอลทาทั้งหลายนั้นย่อสมสงบพระทับไปได้เพราะพลังของสมาธิอาหาตามะันทะความใกล้ในความสุกเกิดขึ้นให้กำหนดสติรู้อาพยาปาทะมันเกิดขึ้นก็กำหนดสติรู้าอุทะจาัปุกุตจความฟุ้งซ่านลำคาญเกิดขึ้น ก็กำหนดสติรู้หาจินามิธาความงงเหงาหาานอนเกิดขึ้นกำหนดสติรู้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นกำหนดสติรู้โดยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของจิตเป็นที่ลึกของสติกำหนดจดจ้องพิจารณาอยู่อย่างนั้น ในเมื่อจิสัมปชัญญามีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วก็จะเกิดสมาธิความมั่นใจส่งอาศัยผนติความอดนทนพิจารณาให้เจิตของเรารู้แจ้งเห็นทัศในคณแด้โทษของธรรมคืนมอนิวร์เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงรู้ชัดแล้ว จิตของเราก็จะปล่อยวางเข้าไปสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้สมาธิเพราะอาศัยธรรมะคือนิพนธ์เป็นที่ตั้งของสติเป็นที่เล็กของเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นที่ตั้งของสติเป็นกื่องรู้ของจิตธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งลเล็ก ถ้าเราตั้งใจจดตจสอพิจารณาเพ่งดูดูจิตจะสงบเป็นสมาธิราะนั้นแผนการปฏิบัติมหาสติปัฏฐานสี่กำหนดพิจารณาตายเวทนาจิตและธรรมเรากำหนดหมายเอาง่าย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 จิตเป็นแต่เพียงพลังงานร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือจิตเหมือนกระแสไฟฟ้าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าไปสู่แม่เหล็กและทองแดงเกิดความหมุนพอหมุนแล้วทุกปิี่ยทุกอย่างมันก็เกิดความเคลื่อนไหวทำให้เกิดพลังต่างๆขึ้นมาได้ ดังนั้นในเมื่อกายมีอยู่จิตก็มีความคิดเพราะกะระแสของจิตไปกระทบกับร่างกายเครื่องมือของกายเราเกียรตเพราะอาศัยประสาททางสมองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรากําหนดรู้ที่จิตของเราเราจะรู้ว่าในกายของเรานี่มีอะไรบ้าง อ่าน้อยก็รู้ว่ากายของเรามีศีสะหนึ่งมีแขนสองขาสองมีลำตัวมีตาหูสมูกลิ่นกายและใจเมื่อเราตั้งใจกำหนดรู้อย่างนี้เรียกว่ากำหนดรู้กายทีนี้ในเมื่อเรากำหนดรู้กายอยู่ก็กลายเป็นที่เกิดของสิ่งต่าง ภูกเกิดที่กายภูกเกิดที่กายแต่้าใจเป็นผู้เป็นผู้ยึดมั่นคือมั่นอยู่ในกายนี้กายเป็นที่เกิดของความเจ็บแต่ความเจ็บอันนี้จิตเป็นผู้รับรู้ ทนี้ถ้าจิตไม่มีกายก็ไม่รู้จักเจตเพราะฉะนั้นเวทนาเกิดที่กายทุกขเวทนาก็เกิดที่กายทุกขเวทนาก็เกิดที่กายหรือไม่สุขไม่ทุกขก็เกิดที่กายเมื่อเรากำหนดรู้ว่ากายมีอยู่เราจะรู้พร้อมทั้งเวทนาจิตและธรรม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 ทีนี้เมื่อสมาสธิจิตสงบละเอียดลงไปจกนกระทั่งตัวหายไปหมดแล้วที่ตกวิจารตีติสุขก็หายไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยกายเกิดถ้าไม่มีกายที่ตกวิจารปีติสุขก็ไม่มีได้เพราะฉะนั้นเมื่อกายหายไปแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียว จึงไม่ใช่ว่ามีแต่จิตดวมเดียวซึ่งเรียกว่าเอกับคตากับอุเบกขาความเป็นกลางของจิตร่รางกายคงตัวหายไปหมดเพราะฉะนั้นการบาเพ็ญสมาธิซึ่งเดินตามหลักของมหาสติปฐานสี่จึงเป็นอบายทำจิตให้สงบตั้งมัน่นลงเป็นสมาธิ เพื่อขจัดนิวรณ์ธรรมอประการให้หมดไปจากจิตในขณะที่มีสมาธิจิตของเราจะได้ดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามลำดับขั้นตอนซึ่งสุดแค่แต่พลังจิตพลังสมาธิของท่านผู้ใดจะปฏิวัติจิตของตนเองให้เป็นไปได้ เราจะนั่นการฝึกฝนอบรมสมาธินี้เราอาศัยหลักพาวิตาอบรมให้มากมากพหูดีกตาทำให้มากมากทำให้คล่องตัวทำจนคันิชํานานทำจนกระทั่งถึงขั้นเป็นเองในเมื่อจิตได้ดำเนินตามหลักของมหาสติปัฏฐานทั้งสี่การ จึงเป็นฐานที่ให้เกิดธรรมะอันเป็นองค์กุณแห่งการจัดสู้คือสติสัมโอชคงในเมื่อเรามาทำส ม, มาธิจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกมรรคเอกธรรมสติเป็นเองโดยอัตโนมัติสามารถที่จะกำหนดรู้สกายจิตสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้เองโดยตลอดเวลา บริเวณวามีสติสัมปชัญญะรู้ต้อมอทุ่การเดินนั่งนอนรับทานดื่มทมผู้คิดได้ตัว่าจิตได้สติสัมโพธิ์ทงเป็นองค์แห่งการสัจตรู้เวลาแห่งการบรรยายธรรมตามหลับแห่งมหาสติประธานสี่ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ สมาธิการนั่งสมาธิเดีียวกว่าวิธีนั่งสมาธิให้นั่งเอาขาขวาทับ ข, ขาซ้ายผัดสมาธิเอามือซ้ายวางลงที่ตักเอามือขวาวางทับให้หัวแม่มือเกิด ฟันเบาๆอย่าให้กดตั้งกายให้ตรงเพื่อนั่งให้รู้สึกว่ากายตรงให้เป็นที่สบายอย่าเกร็งกล้านเนื้อหรือส่วนต่างๆของร่างกาย นั่งพอพยงกายให้ตรงอยู่อย่าให้มีส่วนใดตปงอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาอย่าค้ม น, นักอย่าเงยนักวางหน้าให้ตรงสงาาอาภาเหมือนพระพุทธรูปนั่งหัดสมาธิ น, นี้เป็นวิธีนั่งต่อไปเป็นวิธีกาหนดจิตคือทำความรู้สึกที่จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตของเราก็อยู่ที่ตรงนั้น จะให้จิตมีฐานที่ตัง้งให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจะเลกพุทธค้อมลมเข้าโพคล้อมลมออกก็ได้ <c oughs> หรือใครจะไม่นึกอะไรเพียงแต่กำหนด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 ทำใมลมหายใจจเชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายเพราะเหตุว่าเราจะตั้งใจก็าตามไม่ตั้งใจก็าตามกายของเราก็หายใจอยู่โดยธรรมชาติ ยังแต่เรากันโดดลมหายใจเฉยเตยอยู่อย่าบังคับจิตให้สนุกแต่ปราะคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาจิตของเราจะเป็นอย่างไรเราไม่ทําลงถึงําเึง แต่ว่าจะรู้ที่ลมหายใจอย่างเดียวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจสั้นรู้หายใจยาวรู้เพียงแต่เอารู้ตัวเดียวกำหนึ่รู้อยู่ที่ตรงนี้ กำหนดลูลมหายใจเป็นหลักสาธารณะคั่ไปและการปฏิบัติสมาธิก็เป็นหลักสาธารณะคั่ไปไม่สังกัดในละทิและศาสนาใดใดทั้งสิ้ เพราะการฝึกสมาธินี้เราจะมาฝึกจิตของเราให้สามารถกำหนดรู้ธรรมชาติการปฏิบัติธรรมโดยการเรียนธรรมก็คือเรียนให้รู้ธรรมชาติวิชาการที่เราเรียนกันมา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 แม้ว่าเรามีสติรู้อยู่แบบเรื่องคีวิตประจำวันทุกขณิทุกลมหายใจพอเชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทางนั้นแต่เพื่อจะให้มีวิธีการเข้มข้นเข้าไปหน่อยเราจึงมาฝึกกันแบบมีพิธีลีตรอง อย่างที่เรามาฝึกกันอยู่เวลานี้นอกจากเราจะมากาหนดรูล้ลมหายใจแล้วเราอาจจะเล็กพุทธพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกก็ได้ หรือเราจะต่องบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธสัมมาอระหังยบหนอทองหนอข้อได้หรือเราจะกำหนดรู้จิตคอยจ้องดูจิตของเราเมื่อความจิตอะไรเกิดขึ้นให้มีสติกำหนดตามรู้ไปก็ได้ เป็นวิธีการฝึกสมาธิทังนั้นการฝึกสมาธิดังที่กล่าวมานี้เราสามารถจะทำได้ทั้งในท่านั่งท่ายืนท่าเดนินท่านอนใช้อารมณ์อย่างเดียวกันเพราะสมาธิเป็น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 เาถ้าเรานั่งมากมันก็เมื่อยพปรามาณล่องตายต้องเปลี่ยนไปเดินเดินมากพประมาณก็เปลี่ยนเป็นยืนยืนมากพประมาณเปลี่ยนเป็นนอนเปลี่ยนอิริยาบทให้สมันเสมอเพื่อให้เกิดความคล่องสายในเม่ตายของเราต้องแช่วว่องไวติดของเราก็ต้องแช่วว่องไวขึ้นด้วย ลอะยะนั้นเดินเดินนั่งนอนจึงเป็นท่าประกอบเท่านั้นแต่สมาธิที่แน่แน่ก็คือกิริยาของจิตดังนั้นเราจะปฏิบัติสมาธิในท่าไหนได้เท่งนั้นเดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทาผู้คิดเพียงแค่มีสติสัมปชัญญะรู้กลมอยู่ในขณะที่ เ, าเราทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ปติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานหล่ดทำผู้คิดเป็นการเรียนให้รู้ธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายย่อมมีการดเดินเนนั่งนอนรับทานหล่ดทำผู้คิดนักลาชไม่ว่าในศาสใในาใดๆท่านสอนมนุษย์ ให้รู้จักความเป็นของตัวเองในเบื้องตนในเมื่อรู้จักความเป็นรู้จักธรรมชาติของคนเองได้ต่องแท้แน่นอนการที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาตินอกตัวเองนั้นเป็นเป็นของไม่อยากนักเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเรียนให้รู้ธรรมชาติของตนเอง ธรรมชาติของร่างกายต้องมีการเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดไหลพิสธรรมชาติของจิตก็เป็นผู้มีหน้าที่คอยบังคับบัญชาสั่งให้ร่างกายทำอะไรและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งตวว เพราะตนเองเป็นนายตนเองเป็นผู้สั่งการสั่งการลงไปแล้วย่อมมีการรับผิดชอบจึงจะสมสักด์ีของผู้เป็นนายทางั้นในตัวของเรานี่ใจเป็นนายกายเป็นเบาการปฏิบัติธรรมจึงอาศัยกายกัดจิตทั้งสองอย่างเป็นของผู้กันเป็นหลักของการปฏิบัติ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 เรามาเรียนรู้ธรรมชาติของลมหายใจเมื่อเรารู้อยู่เราก็จะรู้ว่าธรรมชาติของตายย่อมมีการหายใจอยู่เป็นปกติขาดไม่ได้เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจ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 ไม่เพาะแต่มนุษย์สัตว์ก็มีจิตรู้ีือนโลกตัวนี้ไม่ได้สังกัดใจและที่หลกาสนาใดๆทางจริงดั ง, งนั้นที่เรามาเรียนรู้ธรรมชาตินี้เพื่อจะให้รู้ความจริงของกฎธรรมชาติ เมื่อรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ควรจะรู้ความจริงของธรรมชาติอากฎของธรรมชาติด้วยกฎของธรรมชาติทั้งหลายนั้นธรรมชาติอันนี้คือกายสับใจสถานตาตาต่อสิ่งแวดล้อมนินฟ้าอากาศ เร่งเรียกว่าจักรวาลทั้งสิ้นนี้แหละเรียกว่าธรรมชาติในี้กบของธรรมชาติ้อคือความเปลี่ยนแปลงพวกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล น, นี้ตั้งแต่อนุปรมานุจนกระทั่งมวลสารที่เก่ะกลุ่มกันเป็นค้อนใหญ่โต เขาย่อมตกอยู่ในกฎของธรรมชาติคือมีความเปลี่ยนแปลงมีปรกากฏการ้นในเบื้องต้นชงตัวอยู่ทั่วขนาดหนึ่งในที่สดย่อมสลายตัวอันนี้เป็นหลักภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสาธารณะทั่วไป บัญญัติของภาษาอินเดียความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอนิจจ์ความทนไม่ได้อยู่ตลอดกาลเขาเรียกว่าทุกขงังความสลายตัวเขาเรียกว่าอนัตตาภาษาไทยว่าไม่เที่ยงคนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลไม่เป็นตัวของตัว อันนี้เป็นคำสมมติบัญญัติเท่านั้นแต่แล้วโลกทั้งโลกได้ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวอันนี้ภาษาโลกที่เขานิยมใช้กันโดยพูดๆไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งภาษาในหลักวิทยาศาสตร์เขาใช้กัน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 เมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าลมหายใจนี้มันกอเปลี่ยนแปลงมีออกมีเข้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเราก็รู้จัว่าลมหายใจมันเปลี่ยนจากหยาบเป็นละเอียดละเอียดเป็นหยาบแต่ในบางครั้งถ้จิตสงบเป็นสมาธิอย่างลึกซึ้ง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 อะไรทาก็ได้ถ้าทาจริงไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาคนในศาสนาอื่นทาก็ได้คนไม่มีศาสนาทาก็ได้เ <c oughs> มื่อําลงไปแล้วจิงสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นโดยกาม ใครจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะสมมติปัญญารู้เป็นธรรมชาติสองจิตจิตเป็น้ารู้จิตมีสภาวะรู้สึกรู้ในะรู้คิดแต่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจะไม่รู้จากตีจากผู้ไม่รู้จากจิตไม่รู้จากผูก ว่าสติสัมปชัญญะของเรายังอ่อนเราจึงมาฝึกสมาธิเพื่อให้สติเพิ่มพลังเข้มแข็งขึ้นจะได้กำหน ด, ดรู้สิ่งต่างๆให้รู้จริงตามกฎของธรรมชาติเห็นกฎธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรา เมื่อเราไปเยึดมั่นฝือมั่นว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาสิ่งทีเราถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขานั่นเมื่อหาว่าสิ่งนั้นเป็นไปในทางที่เราไม่พอใจเราก็เกิดโทษเพราะเราเอาความรู้สึกของเราไปขัด ดูกับความเป็นไปของกฎธรรมชาติดังนั้นนักบวชในว่าในละที่หลายศาสนาใดๆจึงสอนให้ทุกคนให้เรียนรู้กฎของธรรมชาติเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงธรรมชาติบางอย่างซึ่งพอที่จะเป็นไปได้ ให้อยู่ในสภาพที่เป็นไปตามความต้องการของเราเคืเ่องยนต์เคร่งคนทั้งหลายต่างๆวัตถุตั้งเดิมเขาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในดินในน้ำแต่ผู้ตลาดไปค้นคว้าคิดเอามาสร้างโนดนสร้างนี้ สร้างรถยนต์สร้างเครื่องบินสร้างกระโดดสร้างปรมานูนิวเคลียเอามาเป็นพลังงานสำหรับเป็นเครื่องปฏิกรต่อชีวิตหรือทำลายซึ่งกันและกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดังเดิมวัตถุมาจากธรรมชาติแต่ผู้ที่มีความตลาดตะเลี้ยว สามารถเอามาดัดแปลงแปลงเป็นโน่นเป็นนี่ให้ใช้ในระยับแก่ชีวิตของเราได้ทีนี้ธรรมะอันเป็นธรรมช า, าติส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเป็นลูกานามธรรมเราก็สามารถที่จะฝึกฝนอบรมสร้างสมรรภาพให้เข้มแข็ง มีพลังทางสติปัญญาเพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเป็นการดัดแปลงธรรมชาติเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้เป็นวิสัยของมนุษย์จะต้องเป็นไปอย่างนั้นมนุษย์จะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามบุญตามกัรเหมือนอย่างสัตว์ในรางฐานนั่น มันไปย่อมไม่สมศากส์ศีของความเป็นมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงมีการสร้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองซึ่งแล้วแต่ความสามารถสติปัญญาของผู้ใดจะสามารถทำได้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 ดังนั้นการทำสมาธินี้จึงเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งเพื่อสร้างพลังดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเพื่อสร้างจิตสร้างใจสร้างชีวิตของเราให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเราจะได้สามารถทำธุรกิตมการ ง, งานต่างๆด้วยความมั่นใจด้วยความมีสติสมัชัญญะ เพื่อเป็นการสร้างสรรคีชีวิตของตนเองและสังคมให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปทานั้นนอใหยท่านทั้งหลายจงตั้งใจึกผลอบรมเอาให้ได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องอาศัยสมาธิทางนั้นแหละ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 ในช่วงตีถันกำหนดโลลมหายใจอยู่าหากมีอาการช้ํามเหมือนจะง่วงนอ น, อนก็ให้มีสติกำหนดโล่อยู่เฉยๆหากมีการรูกอึดอัดหรือหนักงวงตรงตงนคอหรือเวียนศีรษะก็กำหนดโล่อยู่เฉยๆ กำหนดรู้ลมหายใจไว้เป็นหลักถ้าหาว่าจิตปล่อยวางลมหายใจติดเสื่การล่อยผูกปาดลงไปถ้าไปคิดสิ่งอื่นขึ้นมาก็ควรปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปทุกขณะที่จิตมีความคิดให้สติบัติสลับกันไปอย่างนี้ พยายามทำให้มากมากอกรลมให้มากมากในขณะที่ปฏิบัติอยู่จะไปบังคับจิตให้สงบหน้าที่ของเรากำหนดรู้ลมหายใจแต่อารมณ์พาวนาอยู่เท่านั้นเมื่อไรจริตจะสงบ ก, ก็อย่าไปเสียเมื่อไรจะรู้จะเห็นก็อย่าเสีย ใม่รู้อยู่ที่สิ่งรู้ในปัจจุบันเท่านั้นความสงบของจิตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของจิตไปความรู้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของจิตไปส่วนความรู้สึกจโดความตั้งใจจิตจะรู้หรือไม่รู้ไม่สาคัญสาคัญอยู่ตรงที่กาหนดรู้อารมณ์จิตในขณะนี้ แลเมื่อเรากําหนดรู้อารมณ์จิตในขณะนี้จิตของเราก็จะมีความสัมพันธ์กับอารมณ์จิตเองเมื่อมีอารมณ์สัมพันธ์กับจิตจิตมีอารมณ์เป็นสิ่งที่กําหนดรู้อยู่อารมณ์กับจิตไม่ต่างจากกัน เราจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามเราก็รู้อารมณ์จิตของเราอยู่อย่างนั้นมันแสดงว่าจิตได้วิสุปมีสติโอยู่ได้วิจารถ้าเกิดมีดีสุกเอกับพระตาก็ได้ดีสุกเอกับพระตา จิตวเสมอวิสุพวิาวการปีสิสุเอสสัตาอยู่เป็นเวลานานๆก็ได้ปะสมมาฌานปีฐานที่สิอันนี้เป็นวิธีการนั่งสมาธิปฏิบัติสมาธิในท่านั่งทีนี้ปฏิบัติสมาธิในท่าเดินเทียบป่าเดินโยง กำหนดอารมณ์อย่างเดียวแบบการนั่งปฏิบัติสมาธิในท่าเดินเรียกว่าเดิมปฏิบัติสมาธิในท่ายืนเรียกว่ายืนสมาธิ